วันนีจะให้ใพูดอะไรพูดมามากแล้วพูดมาสิบปีแล้วมนะั้งปีสามแปดใช่ไหมเกือบจะสิบปีแล้วนะี่หกเดือนนเะก้าปีขึ้นมาตั้ง น, นับทุกวันเห็นหน้าทีก็นับทีหนึ่งเ <laughs> มื่อไหร่มันจะขึ้นฉันสัที มากี่ปีมันก็เหมือนเดิมไม่ยอมขึ้นชั้นอ่ะถึงเวลาสอนลําบากใจไม่รู้ว่าจะเอาหลักสูตรไหนมาสอนเนี่ยเอาสูตรอนุบาลเนือสูตรปรถมเนือสูตรมัธยมเนือสูตรดูดมศึกษานี่พอามาที่ไรก็ใส่ชุดเดิมมาชุดอนุบาลมาไม่ยอมเปลี่ยนชุดก็เด็ ทำ <zar greatness> <laughs> ไมไม่ไม่อยากจะขึ้นชั้นบ้างเลยจะอยู่เป็นดาเทวดาไปเรื่อยๆไม่ยอมขึ้นไปเป็นพรหมบ้างนะไม่อยอมขึ Govern ้นไปเป็นโสดาบันสกิดาคามีอาณาคามีอรหันกันบ้างนะเอาแต่เทวดานี่แะรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพทัศนศึกษา ทัศน ธ, ธรรม <Okay. S 1> วันนี้เรียกวพวกทัศนธรรมดีกว่าพวกทางโลกเขาทัศนจรพรงนั้นเขาก็ก็ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็ไปแหล่งท่องเที่ยวของเทวดากันไปตามวัดตามว่า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 ถ้าเอาแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาสี่ห้าก็ต้องไปอบายาอบายยโลกไปเที่ยวในโลกของอบายไปพบกับสิงสาราศาสตว์ต่างๆถ้าไม่รักษาศี่ห้าให้บริสุทธิ์ทแต่ทานอย่างเดียวยอยังโกหกยงังขี้โกงไม่บริสุทธิ์ ทำทานอย่างเดียวก็ได้ศัพย์ของของเดรัจฉานอย่างน้อยก็เป็นเดรัจฉานที่ดีกับพวกที่ไม่ได้ทําทานถ้าเป็นหมาก็ไม่ต้องมาเป็นหมาวัดพวกเป็นหมาวัดนี่แสดงว่าทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาพวกที่เป็นหมาบ้านมีเจ้าของคนเอาไปเลี้ยงเนี่ แสดงว่าเป็นพวกที่ยังทำทานอยู่ทำมากทำน้อยก็แล้วแต่เจ้าถ้าทำมากเจ้าของก็เอาไปนอนที่ห้องด้วยเอาไปเลี้ยงเป็นลูกคนสมัยนี้ไม่มีลูกก็ซื้อหมามาเลี้ยงเป็นลูกอุ้มกอดใส่บาตเนี่ยยังจับมาใส่บาตด้วยอพวกนี้ก็พวก หมาตัวนี้แสดงว่าได้ทำทานมาเยอะแต่ไม่รักษาศีลบางทก็เป็นนกสวยๆเป็นปลาสวยๆไม่ถูกจับไปต้มไปแกงจับไปใส่ในตู้ให้ตู้ที่สะอาดมาีมีอาหารมีอะไรให้วายให้กินสัตว์ตัวนี้ถือว่าได้ทำบุญมาแต่ไม่รักษาศีล ก็อะไอยังไปไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้บางที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ไม่ได้ทําทานรักษาศีนี่ก็เรียว่าเป็นมนุษย์ถ้ารักษาสีหน้าได้แต่ยังตันอียังไม่อยากทําทานยังเสียดายเงินเสียดายทองมีคนหลายคนเขาก็เคยถามว่า เขาไม่เขาไม่ทำให้กายเดือดร้อนเขาไม่ต้องทำทานก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนก็ไม่ไม่เสียหายทำทานก็จะได้ก็จะได้เป็นเทพถ้ารักษาศีลด้วยถ้ารักษาศีนอย่างเดียวไม่ทำทานก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเท่าเดิมไม่รวยขึ้นไม่จนลง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 ทำน้อยก็หนึ่งดาวทามากหน่อยก็สองดาวทาสุดๆเลยก็ห้าดาวก็จะได้รับบริการระดับห้าดาวทุกอย่างโรงแรมก็ห้าดาวอาหารก็ห้าดาวที่ท่องเที่ยวก็ระดับห้าดาวนี่เป็นอันนี้สองที่จะได้รับจากการทำทานกับการรักษาศีล ถ้าเพิ่มอกข้อหนึ่งนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้จิตรวมเป็นฌานอันนี้ก็ไปสู่พรหมโลกพรหมโลกนี้มีความสุขกว่าเทวโลกเทวโลกถึงแม้ว่าจะเที่ยวจะมีความสุขจากการเที่ยวมันก็เหนื่อยไปเที่ยวกลับมาบ้านก็อยากจะนอ น, เ, นอเป็นพรหมนี้ไม่ต้องเที่ยว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 หมดไปได้เหมือนกับน้ํามันรถที่เราเติมเติมน้ํามันรถเข้าไปขับรถไปเดี๋ยวน้ํามันก็จะหมดไปก็ต้องแวะเติมน้ํามันใหม่ไปสวรรค์ชั้นพุทนมาโลกพอบุญระดับสมาธิหมดฌานเสื่อมก็ลงมาเป็นเทวโลกพอเทวโลกบุญที่เกิดจากการทําทานรักษาศีลหมด ก็กลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเติมน้ํามันใหม่มาเติมเติมบุญใหม่เนี่ยมาทําบุญทําทานรักษาศีลใหม่มานั่งสมาธิใหม่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ผู้ได้พบพบบุญที่เรียกว่าบุญถาวร บุญที่ไม่เสื่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษาจากผูรู้ทั้งหลายแต่ก็รู้เพียงแต่ระดับบุญที่ไม่ถาวรระดับฌานระดับรูปฌานอรูปฌานมีพระอาจารย์สองรูปที่สอนพระองค์ให้เข้าสู่รูปฌปานและอรูปฌปานแต่ไม่รู้จัก บุญระดับถาวรว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องส่งคนขวาศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดเขาไปพบวิธีคือวิปัสสนาสมถะภาวนานี้เป็นเป็นขั้นขั้นพรหมโลกวิปัสสนานี้เป็นขั้นอริยขั้นของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย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 พราความอยากนี้จะทําให้ใจกระวนกระวายใจไม่มีความสุขจะทําให้บุญที่ได้สร้างไว้เสื่อมลงไปเสื่อมด้วยอำนาจของความอยากเช่น<ม>เป็นพรมบอกส่อยความอยากขึ้นมามันก็จะดึงให้ลงมาสู่เทวโลกพอึงมาสู่เทวโลกความอยากความอยากมีเพิ่มมากขึ้นก็ดึงมาสู่มนุษย์สโลก เพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่เป็นชนิดที่ยากแล้วถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลจิตก็จะเสื่อมลงไปสู่อบายไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรก นี่เป็นเรื่องของความอยากถ้าไม่ควบคุมมันไว้มันจะจุดลากจิตใจให้เป็นใ ห, ให้ลงสู่ที่ต่ำเพราะว่าได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอแล้วเวลามีอะไรมาขาดขวางเป็นอุปสรรคก็จะแก้ด้วยการทำบาปถ้ามีคนขัดขวางก็จะหาวิธีกาจัดเขา อยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่มีคนที่ก็เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ก่อนอยากจะเอาตําแหน่งเขาอยากจะเป็นเหมือนเขาก็หาวิธีกําจัดเขาโดวยวิธีที่ไม่ไม่สมควรวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือเรื่องของความอยาก ตอให้มีมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่พอคนที่ร่ำรวยก็ยังทำบาปอยู่ได้ถ้าอยากจะได้มากกว่าที่มีอยู่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ทำบาปได้ถ้าอยากจะได้สูงกว่านั้นใหญ่กว่านั้นนี่พระเจ้ทาทรงตัดส็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ฉุดลากจิตใจให้ลงสู่ที่ตำ่ำ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 อยากที่มิจะเสษกรรมอยู่ท่านก็เลยยังต้องกลับมาใช้ร่างกายแต่ก็จะกลับมาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพอจะเริ่มเห็นว่าความอยากในกรรมนี้เป็นตัวปัญหาเป็นโทษก็จะหาวิธีกำจัดมันถ้าไม่มีใครสอนก็ ต้องใช้ปัญญาของตนเองแต่ทางพระพุทธศาสนาได้ก็สอนแล้วถ้าอยากจะกาจัดการอารมณ์ก็ให้พิจารณาอาสุภะอย่าไปดูส่วนที่สวยงามของร่างกายให้ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่ถูกปกปิดด้วยหนังตลกหนังออกหรือทำหนังให้เป็นกะ เป็นเหมือนกระจกใสเหมือนถุงพลาสติกร่างกายนี้ก็เหมือนถุงพลาสติกที่หอ่อห่ออวัยวะต่างๆเหมือนเราไปตลาดเราไปซื้อเครื่องในของสดใส่ไปในถุงพลาสติกดูมันดูตับไตดูกระเพาะดูอะไรกระเพาะหมูกระเพาะไก่นําเนื้อหมูเนื้อไก่ ใส่ไปในถุงพลาสติกกระดูกหมูกระดูกไก่ใส่ไปในพลาสติกร่ลลางกายเราก็อย่างเงี้ยหมือนกระดูกหมูกระดูกไกม่มีตับไตมีไส้ลำไส้ถ้าเราทําหนังให้มันใส่เหมือนถุงพลาสติกเราก็จะเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนัง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 ปัญญาใช้ตาในใช้ตาในที่เหมือนกับตาเอกซเรย์ ray. ตาเอกซเรย์นี่เขาสามารถมองทะลุหนังได้มองทะลุเนื้อเห็นกองกระดูกสมัยนี้มีซีทีสแกนก็เห็นอวัยวะต่างๆได้เห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นลำไส้ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่หนังมันหุ้มห่อปกปิดเอาไว้อันนี้แหละคือที่จะทําให้หลุดจากการเป็นโสดาบันให้ก้าวขึ้นสู่อสกิดดาคามีอสกิดาคามีก็เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเวลาพิจารณาก็เห็นเวลาไม่พิจารณาก็ไม่เห็นอ ถ้าเป็นอนาคามีก็จะเห็นตลอดเวลาเพราะจิตจะมีกําลังพิจารณาตลอดเวลาพิจารณาจนติดเป็นนิสัยเวลาเห็นใครนี่เหมือนเป็นซีทีสแกนก่อนเลยเห็นนักสแกนตั้งแต่หัวลงมาจะหลดเท้ า, ขขาเห็นตั้งแต่กระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกซี่โครงแขนขากระดูกเห็นอวัยวะต่างๆ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 พอเห็นอย่างชาัดเจนแล้วการมารวมมันเกิดไม่ได้นะนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้หลุดจากการติดอยู่กับการมีร่างกายเพราะผู้ที่มีการมารวมก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมื อ, อเวลาเจ็บไข้ได้ปวยนี้การมารวมมันไม่เกิด เกิดมันก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะไปเสพกามเลวลาไม่สบายใครมาชวนไปทัวร์ไปว่าไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อนมาชวนให้ไปไหมฮ่องกงสามวันเจ็ดวันไปไม่ไหวเพราะาร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันมันไม่มีกาลังมันไม่มีความ ความสามารถที่จะทำตามความอยากก็ไม่มีเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยมันไม่อยากจะไปไหนมันอยากจะหายอย่างเดียวแต่เป็นผ้านาคา ม, มีแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเพราะว่าพอไม่มีการมารมใจมันก็เข้าสู่ระดับฌานไปโดยอัตโนมัติ ใ, ใจมันจะสงบเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌปานไปนี่เป็นฌานด้วยปัญญ า, าเราจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิต้องอบรมแบบนี้ปัญญาต้องพิจารณาปล่อยวางกามอมารมณ์ให้ได้ละกลามอารมณ์ได้ใจก็จะอยู่ในฌานอยู่ในรูปฌปานอยู่ในอรูปฌปานถ้าร่างกายไม่มี ก็จะอยู่ในรูปสวรรค์ชั้นรูปประพรมชั้นอรูปประรมชั้นของพระอนาคามีถ้าเกิดยังไม่ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ตายไปก่อนใจก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ห้าชั้นเช่นชั้นสุทธาวาสชั้นอะไรต่างๆมีอยู่ห้าชั้นด้วยกัน แล้วก็จะไปบรรลุขั้นสูงสุดคือขั้นป้าล า, านโดยที่ไม่ต้องกลับมาใช้ร่างกายเพราะว่าทำขั้นสูงนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าใจไม่ต้องการมีร่างกายใจไม่มีการมาลมใจก็ไม่ต้องการมีร่างกายแต่ใจยังไปติดอยู่กับ ความสุขของฌานของรูปฌานของอรูปฌานแล้วก็ยังมีความหลงในอัตตาตัวตนมีความหลงที่ยังไม่เห็นอริยสัจขั้นสูงสุดที่ยังมีอยู่ในจิตอยู่ผู้ที่ปฏิบัติก็จะต้องแก้ปัญหา ถ้ายัางติดอยู่ในรูปฌปานก็ต้องพิจารณาปล่อยพิจารณาว่ารูปฌานก็ไม่เที่ยงเป็นตายแล้วมีเจริญมีเสื่อมอารูปฌานก็เหมือนกันเวลาเกิดตัณหาขึ้นมารูปฌปานอารูปฌานก็จะเสื่อมลงมานีไม่ยั ง, ย, งยังไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ ยังมีความอยากในความสงบอยู่ยอยากให้สงบไปอย่างถาวรแต่ความสงบของจิตในระดับนี้มันไม่สงบอย่างถาวรเพราะมันยังมีกิเลสมีอวิชชามีมีมานะมีตัณหายัางอยู่ในใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณา เพื่อละตัวความอยากความอยากที่ยังมีอยู่ในใจไม่ว่าใจอยู่ในรูปแบบไหนก็ต้องหยุดมันให้ได้อยากบรรลุก็เหมือนกันอยากบรรลุก็ทำให้จิตไม่สงบอย่างพระอน์ น, นี้ก็อยากจะบรรลุอยากบรรลุถ้าเร่งความเปลี่ยนสุดขีดมันก็ไม่ยอมบรรลุ พ่อยังมีตัวความอยากบรรลุขวางอยู่พอไม่อยากบรรลุปับก็บรรลุเลยเนี่ยเจของบ้านนนท่านอยู่ขั้นานาคามีแล้วคืนสุดท้ายที่ท่านยังไม่ได้บรรลุเคลืามเคลืนสุดท้ายที่พรุทธเจ้าได้ส่งทํานายว่าอานนท์เธอจะบรรลุภายในสามเดือนสามเดือนก็มาถึงแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่าง พอสว่างก็สแสดงว่ า, าผ่านสามเดือนไปแล้วอานน์ก็รีบเร่งความเพียรเดินจงกลมนั่งสมาธิพิจารณาอะไรต่างๆาเห็นไปหมดว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่รู้บรรลุเพราะจิตอยู่ที่อยากจะบรรลุเพราะพระพุทธเจ้าทรงปยากรไว้ว่าจะต้องบรรลุในคืนนี้ แต่ตอนเี้ตอนนี้ยังไม่บรรลุไม่รู้จะทำไงจะให้มันบนรรลุทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุก็เลยยอมแพ้ยอมรับความจริงว่าไม่มีวันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บรรลุนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่พยากรผิดเนะี่ยพอล้มตัวลงจะนอนเลยก็บรรลุตรง น, นั้นเลย อยู่ระหว่างท่านั่งกัท่านอนกำลังจะนอนนั่งอยู่กำลังจะนอนใจก็ปองมหมดเราไม่ได้บรรลุแล้วไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้ไปสังฆยานากับเขาแล้วเขาจะมีพิธีสังฆยานาในวันรุ่งขึ้นเ <c oughs> พราะเราไม่ได้เป็นพระ อ, อ า, าหันต์พอละความอยากเป็นพออาระอาหารได้ละอุทจจะได้ อุตจากก็คือความความเพียนกล้เพียนเพื่อที่อยากจะให้จิตบรรลุทำครั้งสุดท้ายถ้าเพียนเกินไปก็เหมือนกับการขึงสายพินขึงตึงตึงเกินไปมันก็ขาดก็ ừ, ถ้าไม่ตึงมันเลยไม่ปฏิบัติเลยรอให้มันบรรลุมันก็ไม่บรรลุอีกจะไปบีบบังคับให้มันบรรลุมันก็ไม่บรรลุอีก มันต้องคงกลาต้องรู้เฉยๆต้องดูเฉยๆว่าม hmm. ีความอยากหร like. ือเปล่าถ้ามีความอยากก็ต้องหยุดมันอยากไปอยากไม่ว่าจะอยากเป็นไมืออยากอะไรทั้งนั้นอยากเป็นอยากมีอยากอยากให้สุขอยากให้มันสงบมันไม่สงบก็อยากให้มันสงบนี่ก็เป็นความอยากมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมันสงบก็รู้ว่ามันสงบ มันสงบก็อยากไปอยากให้มันสงบไปตลอดเพราะมันยังไม่เป็นความสงบที่ถาวรมันยังเป็นระดับฌานอยู่ระดับรูประฌานอรุปรฌานอยู่ให้รู้ทันแล้วก็าปล่อยวางัากแต่ว่ารู้ทันะลพ่อพ่อนอนปล่อยวางอนะเพียนมากเกินไปเพียนกระทั่งไม่บรรลุดดแล้วไม่รู้จะเพียนยังไงต่อไปแล้ว จิตฟุ้งแนละ้วอุทจจะขึ้นมานะก็อะไรหยุดหยุดฟุ้งพอหยุดฟุ้งมันก็บรรลุอนะความอยากความอยากที่จะบรรลนะุก็นี้ก็คือธรรมที่ไม่เสื่อมเป็นของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ทรงค้นคว้าส่งค้นพบนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา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 พอหลงัลงจากสร ง, งตัดสรุปแล้วก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูปนี้เลยอยากจะเอาข่าวดีนี้ไปไปแจ้งให้ท่านทราบ <c oughs> ก็ทราบว่าท่านองค์หนึ่งเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้อีกองค์เพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้า เ, เสียดายเพราะว่าสององค์นี้จะไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าดังก็ไม่รู้ว่าจะ ได้กลับมาเกิดแล้วมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่ถ้าไม่มีปัญญาบา ร, รมีแก่กล้าพอจนสามารถเห็นได้ด้วยตนเองก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอไปจนกว่าจะมาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมีโอกาสดีก า, า, ารย์ของพระพุทธเจ้า อาจารย์ของพระเจ้าตอนนี้ก็คงอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่เพราะผู้ที่ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี่ถ้าว่าจะอยู่เป็นอายุเป็นหมื่นปีเป็นหมื่นเป็นพันปีขึ้นไปนี่ศาสนาพูดแค่แค่ 2,500 กว่าปีท่านยังคงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นพอกลับมาเกิดเกิน 5,000 ปีหมดไปซะแล้วพระ พ, พุทธศาสนา ก็ละก็ต้องได้เรียนจากผู้ที่รู้แค่ระดับแค่ฌานเท่านั้นเองแค่รูปฌานอรูปฌปานก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอแต่พวกที่มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ามีโชควาสนามากได้สิ่งที่หายาก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 กลัวมันจะโกรธเนาะกลัแล้วเดี๋ยวมันจะควาดหางควาดงวงควาดงวงขึ้นมาพอพอใจโกรธนี่แหม่ไม่มีความสุขเลยไหนต้องตามใจมันอ้าอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะดูก็ดูอยากจะฟังก็ฟังอยากจะเดิมอยากจะรับประทานก็เอาตามใจมันทุกอย่าง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 เห็นมันไปที่ปั๊มน้ำมันจะได้เติมน้ํามันก็ไปติดเครื่องไป ห, หาช่างให้ช่วยติดเครื่องให้อันนี้ก็เหมือนกันเจดลําไม่ยอมไปทางนี้จะทาไงมันไม่ยอมภาวนาเลยนไม่ยอมไปปีกวิเวกกันไม่ยอมถือศีลแปดกันจะเอาแต่ศีลห้าจะเอาแต่ทางมีงานที่ไหนนี่โอ้โหมันไปทั่วไปหมดนะชื่นเหนือล่องใต้ไปได้ทุกคนทุกแห่งถ้ามีงานเนี่ย การบุญที่ไหนไม่ไ ม, ไม่ท้อไม่ถอยสู้หมดมีมีความเพียรอยู่แต่เพียรไปแค่ระดับแค่ระดับทานนั้นระดับทานระดับศีลห้าเ่ยพอให้ระดับศีลแปดระดับเปิก๊เว้ยนี้หดถอยถดถอยหมดแรงเข็นลดขึ้นเขาไม่ไหวถ้าเข็นบนทาง ทางล่าทางลา ก, ก็โอเคอยังพอเข็นได้พอต้องเข็นขึ้นเนินขึ้นเขานี่โอ้โหมันต้องใช้กำลังมากกว่ารักษาศีลห้ากับรักษาศีลแปดนี่มันต่างกันไปทาบุญทำทานตามวัดวารานต่างๆกับการไปปีกเว้ยๆนี่มันต่างกันนะมันต้องใช้พลังพลังรมต่อสู้กับพลังของกิลเลสมาก กิเลมันจะชุดจะลากเราให้ออกไปทางตาหูจมูกทิ้นกายเราจะเดึง ม, มันเข้ามาข้างในถ้าเราไม่มีวิริยะไม่มีสติเด้ง ม, มันไม่เขา้าเนื่องถ้าอยากจะให้มาทางนี้เราต้องฝึกสติกันตั้งแต่บัดนี้ไปฝึกได้ทุกวันฝึกได้ขณะทําทานฝึกในขณะ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 ยืนถือไม้ยกมายกมือคนนี้เล่นเสียงนี้คนเล่นนี้เล่นตอนนี้ฮพอมีคนกำกับมันก็เล่นกันเป็นเสียงเดียวกันฟังแล้วก็ไปเลาะหูเวลาที่ผู้กำกับยังไม่ขึ้นเวทีนี้ลองฟังดูคนนั้ น, นก็ดีดไปทางคนนี้ก็ดีดไปะทางเป่าไปทางพอผู้กำกับก็มาปั๊บยกมือขึ้นปั๊บทุกคนจ้องอยู่ที่ผู้กกับนะ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 หมดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายที่กําลังคืบคลานเข้ามาหาเราทุกเวลานาทีต่อไปก็แก่ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านเจ็บ่ายได้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นยังไม่ไปตัวที่ไหนแล้วไปตัวที่โรงพยาบาลไปหาหมอไปหาพยาบาลไปหาอยู่ค้ายาอในที่สุดก็ไปวัดครั้งสุดท้าย ไปแบบไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มี <c oughs> นี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไม่ภาวนากัน <c oughs> ไม่เข้าสู่ธรรมที่ถาวรกัน <c oughs> อาไปเดี๋ยวว่ากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน <c oughs> น้นเหตนต้องปลุกปลุกระดมตัวเองพยายามสร้างผู้กำกับขึ้นมาให้ได้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 หงุดหงิดลำคาญใจถ้าคิดแต่พุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ต้องไปหาอะไรมากินมันก็ไม่หงุดหงิดลำคาญใจมันเย็นสบายอาหารใจกับไม่เอาชอบเอาอาหารกายชอบอาอาหารกิเลสอาหารกิเลสให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่พอกินเดียเด๋ยวเดียวเดี๋ยวออิ่มละกินแล้วก็อยากจะเดิมเดิมแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะนอนพอตื่นขึ้นมาก็อ้าอีกแล้วอยากจะดื่มอีกแล้วอยากจะกินอีกแล้ววนเรียนอยู่อย่างเงี้ยไปไม่มีวันจบสิ้นเป็นท่าของความอยากไปตลอดไม่มีวันที่จะมี อ, สอิสระภาพไม่มีวันที่จะอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมีใครมาคอยเรียกมาคอยสั่งให้ไปหาหนั่นมาให้หน่อยสิหาขนมมาหน่อยหาเครื่องดื่มมาหน่อย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 โดยไม่มีใครครวบคุมบังคับเอาสติมาควบคุมบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกำลังรักษาสิ่งแตกได้มีกำลังที่จะนั่งสมาธิได้พอมันได้แล้วที่มันก็จะไปเลยได้สมาธิมันก็มีกำลังที่จะพิจารณาอาริยสัจสี่พิจารณาตรักได้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 ยทถาวะริวาหาปุราปะิปุเรินติสากาลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังป e ัติตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรินตุสังกปาจันโทปันาราสุยทถามณิโชติ อารโสยะธาสภิติโยวิวาันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริษะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทาติอายุวโนสุขัง ล, ล, ลมีคนฝากถามค่ะพระอาจารย์มีน้องเขาฝากเงินไว้แล้วมาเอาคืนไปบอกว่าจะเอาไปทำแท้งโยมจะมีส่วนทำบาปด้วยไหมเพราะเหมือนกับรับรู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรแต่มันเป็นเงินของเขาที่เขาฝากไว้เงินของเขาไม่ได้เป็นเงินของเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย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 และอยากให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆได้ไหมคะถ้าทุกอย่างหายไปหมดก็แสดงว่าหลับ <c oughs> ถ้ามีตัวรู้อยู่ก็แสดงว่าเป็นสมาธิ <c oughs> ถ้าอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำแบบที่เราทำอยู่ <c oughs> คือต้องเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง <c oughs> เช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือวิธีที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็ทำไป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 แต่ถ้าแบบว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีสดชื่นก็อาจจะได้พักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาก็สดชื่นก็ต้องรู้จักแยกแยะ ข, ข้อต่อไปจากคุณณนะานตาลมนะคะขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะหนึ่งพอเรานึกถึงลมหายใจ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 อันนี้เป็นการเจริญสติก็เป็นการดึงใจผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้าไ้นั่งลงไม่ได้ทำอะไรจิตก็จะรวมได้รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ดีที่สุดอันนี้ต้องมีอะไรผูกใจดึงใจเข้า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 แล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้พอเข้าไปแล้วลมหายใจมันก็การดูลมก็จะหยุดไปเองหรือการบริกรรมพุทโธก็จะหยุดไปเองเพราะไม่มีความจำเป็นแล้วจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งแล้วแต่ถ้ายังคิดปรุงแต่งอยู่ยังไม่นิ่งไม่สงบก็ยังต้องมีอะไรคอยกำกับมใช้พุทโธกากับไปใช้การดูลมหายใจเข้าออกกำกับไป ต้องทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมจิตจะสงบถึงจะหยุดการเจริญสติได้ค่ะคําถามต่อข้อต่อไปจากคุณตวงรัฐรักในหลวงนะคะเมื่อเราบาังเอิญไปคบหาคนที่มีจิตใจริษยาอิจฉาเป็นเพื่อนและเขาพูดจาให้ร้ายหวังให้เราได้รับการเกลียดชังดูหมิ่นจากผู้อื่นอีกทั้งยังหมั่นพูดจาให้เราเศร้าหมอง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 ถามว่านื่องจากได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ในซีดีธรมธรมะบนเขาแผ่นที่สิบตอนที่สิบพระอาจารย์เทศว่าการทําอามิสทานจะอุทิศให้แก่เปรตได้บางจําพวกเท่านั้นไม่สามารถอุทิศให้แก่สัตว์ประเภทอื่นนอกจากนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถอุทิตส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทุกประเภทดังนั้นดิฉันจึงนำธรรมไปพิจารณาได้ดังนี้ข้อหนึ่งนะคะ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 ที่เขาถามมานี่ก็เขาอ่านมาจากพระไตรปิฎกไม่ใญ่แล้วมาถามเราทำไมเราไม่เราไม่ได้เป็นคนแต่งพระไตรปิฎกมาก็ให้เชื่อแหละว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นพระไตรปิฎกก็เชื่อได้นะแล้วก็ข้อสองจากท่านเดิมนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนอภิธรรม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 ต่อไปเป็นข้อสามนะคะจากท่านเดิมค่ะการแผ่บุญกุศลที่เกิดจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาไปยังสัตว์ทั้งหลายจัดว่าเป็นการแผ่เมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาหรืออุเบกขาหรือไม่ใช่ทุกอย่างอไม่ใช่ทุกอย่างล่ะแล้วก็จากท่านเดิมค่ะพระอาจารย์ถามว่าได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มีตอนหนึ่งกล่าวว่า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 แต่ถ้ามันมีความสงบนี้มันมีสิ่งที่ดีกว่าร่างกายมันก็จะปล่อยร่างกายได้ความสงบนี้เป็นสิ่งที่มาทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราหวงได้เช่นตอนนี้รักหวงสามีลองไปภาวนาจิตรวมดูเลยทิ้งผัวทิ้งภรรยาได้เลย เ, เพราะได้ของที่ดีกว่ า, อาตอนนี้เรายังไม่มีของที่ดีกว่าคือไม่มีความสงบที่เกิด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 ร่างกายของเรากับร่างกายของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเวลาปวดฟันก็ปวดเหมือนกันแต่ใจมันไม่เหมือนกันใจเราทุกข์ไปกับการปวดฟันแต่ใจของพระพุทธเจ้าป้าหลังท่านไม่ทุกข์ไปกับการปวดฟันท่านั้นเองคําถามจากคุณบุญตานะคะเมื่อกายยังทุกข์จะทําให้ใจสงบได้เยื่องไรขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะก็เนี่ยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆ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 สุขแบบนี้คิดว่าอาหารเลิศรสช้อปปิ้งดูหนังก็สุขไม่เท่าตอนตกอยู่ในความสุขขณะนั้นคิดไปอย่างนั้นอยากทราบว่าคืออะไรแล้วผมควรทำอย่างไรต่อไปทำไมผมไม่ได้ติดความสุขอันนั้นแทนที่จะทําให้มากขึ้นอีกขอกลับเมตตาเพราเราขี้เกียจนะเนี <c oughs> เรื่องที่แบบาทาภาวนาเราหลับหรือว่าตกภวังแล้วก็หลับไปเลยอะค่ะ ทางแก้นอกจากให้พุโทโธติดๆกันแล้วเนี่ย่ะมันมีทางแก้ทางอื่นถ้าหลับเป็นอาจีนก็ต้องใช้วิธี อ, อดอาหารคืออย่างน้อยผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องถือศีลแปดจะได้ไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปเช่นไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีถือศีลแปกก็ยังหลับได้ ถ้าถูกเจร็ญก็ให้อดอาหารดูถ้าไม่ถูกเจร็ญก็ลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูไปนั่งภาวนาในป่าชา้าไปนั่งในภาวนาที่มีความรู้สึกว่ามีภัยรอบด้านอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านแก้องค์หนึ่งในหนังสือที่หลวงตาท่านเขียนว่ท่านชอบนั่งสับประงกท่านก็เลยไปนั่งที่หน้าเหวถ้ามันสับประงกก็มันก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้สับประงกนะ นะมันต้องมีมาตรการแก้ไขถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยแนละ้วมันจะนอนใจประมาทนอนใจมันจะไม่มีความภาวะตื่นตัวไม่มีความระมัดระวังไม่มีความอะไรไม่มีสติพูดง่ายๆพอไม่มีสติมันก็จะหลับง่ายดัยงนั้นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่สามารถไปทําสิ่งที่ได้พูดมาได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนอย่านั่งเวลาหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน เดินให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่เดนินถ้าเดนินเดินยังหลักให้เดินถอยหลังหรือออกไปเดินข้างนอกกุฏินอกนอกข้างนอกที่อาจจะมี <c oughs> ภัยอะไรที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา <c oughs> คือมีอลูกโพสต์ธรรมะของท่านอาจารย์ไปเกี่ยวกับความอยากบอกว่าความอยากไม่เป็นเหตุถึงทุกข์อันชั้นๆนะคะแล้วมีพี่เขาอ่านใน facebook แล้วก็ก็เลย ถามมาเขาไม่ใช่คนปฏิบัติเขาถามมาว่าจะฆ่าความอยากได้อย่างไรก็หยุดอยากเลยมันอยาก็หยุดคนอยากจะได้อะไรที่แนะนํา้วยก็เพราะว่ามันคือต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นที่เราอยากเพราะว่าเราเพราะเราคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขมันก็สุขแต่มันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวเช่นเราอยากไปเที่ยวอย่างนี้เราก็ไปเที่ยวกัน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 ก็จะได้คําตอบล้วนะความสุขทดแทนคือความสงบราะว่ามันมันจะยากจะต้องมีฐานสมาธิอะไรไปแล้วก็มีการความสุขทดแทนนี่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบการที่จะทําใจให้สงบได้ก็ต้องฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะ ปิดประชุมข้ประทานข้าโป้งก็ขอให้เอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ